ท่านเป็นผู้สันโดษ3ก็คือยถาลาภะสันโดษยถาสารุ ป, ปะสันโดษยถายถาลาภะยถาภะยะถาสารุ ป, ปะสันโดษ3คูณปัจจัย4ก็คือท่านมีสันโดษ12ท่านสงัดคือท่านมีกายวิเวกจิตวิเวกและมีอุปธิวิเวกท่านไม่คลุกคลีด้วยการเห็นด้วยการฟังเป็นต้นเนี่ย น, นะเพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้ที่มีความภาคเพียรพยายาม มีวิริยะเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเข้าพระสมมาบัติเป็นตน้นท่านนั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลทั้งที่เป็นโลกิยาศีลโลกุตระศีลเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิทั้งที่เป็นโลกิยะสมาธิและโลกุตระสมาธิท่านมีปัญญาทั้งสุตตมยะปัญญาจินตามยะปัญญาภาวนามยปัญญามีทั้งวิปัสนาปัญญาแล้ก็มีโลกิยะปัญญาพร้อมทั้งโลกุตระปัญญาท่านเหล่านั้นมี ตะทางข้าววิมุตติวิคัมพนะวิมุตติสมุทเชทวิมุตติปฏิปัสสติวิมุมตติและก็นิสระวิมุตติมีปัจเวกขณะยานเรียกว่าวิมุตติยานทานาัศนะเป็นผู้ที่ละเอียดละอทอีท่วนทุกอย่างเลยนะผ้รหันทั้งหมด500รเหล่านี้ก็มาประชุมกันภาษาคีติกาจารย์ก็เลยกล่าวว่าภิกษุเหล่านั้นรับคาว่าสาธุสาธุว่างง้นนะแล้วเนี่ย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 พากันรีบเข้าไปหาพระเถระคําว่าสาธุในพระไตรปิฎกเนี่ยนะตรงนี้ยกตัวอย่างมาให้ดู4ี่ตัวอย่างว่าสาธุในพระไตรปิฎกแปลได้หลายอย่างนะเช่นแปลว่าวอนขอก็ได้แปลว่ารับก็ได้แปลว่าปลอบใจก็ได้แปลว่าดีก็ได้เนะนี่ยนะเช่นแปลว่าวอนขอขออะไรสาธุเมพันเตภะควาสังคิเตนะธรรมมังเทเสตุเช่นใครบ้างพระภายยะธารุจริยะใช่ไหม ไปขอข่าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมโดยย่อโปรดข้าพระองค์ด้วยเถิดหรือว่าพระพิสุอีกหลายรูปเนี่ยนะที่ไปวอนขอไปขอร้องท่านก็ไปวอนขอไปขอร้องภาสาธุมีพันเตพระวาสังกิตเตนะธรรมมังเทเสตุสาธุเนี่ยขอเราขอร้องเถอได้โปรดเธอได้โปร ด, ด, ปดพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมโปรดข้าพระองค์ด้วยเถิมันสาธุแปลว่าอะขอร้องสาธุขอร้องแล้วล่ะบางทีสาธุแปลว่ารับก็ได้เช่น สาธุพันเตติโคโสภิกุพค ว, วพาโตภาสิตังอภินันทิตตวาอนุโมทิตวาก็เช่นว่าภิกษุรูปนั้นยินเดียอนุโมทนาภาสิทิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดีแล้วพระเจ้าค่ะเช่นนั้นในมหาปุณณะสูตรพระภิกษุรูปหนึ่งท่านถามปัญหาพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าสาธุสาธุเสร็จถามต่อไปอีกกระสาธุตอบสาธุคือตอบดีแล้วแล้วก็ว่าต่อไปเนี่ยนะก็คือรับทราบอย่างที่พระองค์ แสดงมาแล้วก็ตั้งคำถามต่อๆไปเรื่องอันิสาธุแปลว่ารับคำมันสาธุอรับละบางทีสาธุแปลว่าปลอบใจก็ได้เช่นสาธุสาธุสารีปุตดีละดีละสารีบุตรเป็นต้นเนี่ยนะปลอบใจปลอบใจตัวนี้แปลว่าให้กําลังใจก็ได้เนี่ยนะเราเพิ่มพูนกําลังใจบอกสาธุสาธุนะเราให้กําลังใจบางทีก็สาธุแปลว่าดีก็ได้เช่นสาธุธรรมรุจิราชาสาธุปัญญานวานโรสาธุมิตรนมัต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 สาธุมิตรนามัตทุกโภบอกว่าผู้ไม่ประทุสร้ายมิตรดีเพราะนั้นก็คือใครที่ไม่กัดหลังเพื่อนเนี่ยนะ น, นี้ดีแล้วก็บอกว่าปาปัสสาการรนังสุ ข, ขังคนที่ไม่ทำบาปเนี่ยสุขคนที่ไม่ทำบาปเนี่ยเป็นสุขเขาว่ากันนั้นคำว่าสาธุปแปลว่าดีก็ได้เนี่ยนะ ส่วนในที่นี้สาธุปแปล ว, ว่ารับคําพระพิสูจน์เหล่านั้นภาษาริบุตรชวนใช่ไหมบอกว่าไปเธอเราไปกราบพระพุทธเจ้าไปไหว้เท้าพระองค์เธอจะได้กําจัดความสงสัยพระพิสูจน์เหล่านั้นก็บอกภาษาทูก็เปลารับรับทรบาบรับไปรับปฏิบัติว่าดีละท่านเหล่านั้นก็นิ ป, ปากากร ก, ก็คือมีสาทกะสัมปัญญะเป็นผู้ที่มีอินทรีย์สังวรถามว่าคุณธรรมข้อปฏิบัติของพระพิสูจน์เหล่านั้นท่านเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยนะ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 บุญกุศลคุณงามความดีที่พระองค์สั่งสมมาจึงได้ตรัสรู้อย่างนี้แล้วพระองค์จะอ้างใครอีกเล่าเนี่ยนะจะอ้างใครอีกเล่าเราไม่ต้องอ้างใครเรียกว่าสยามผูผู้ตรัสรู้เองพระภิสูจนเหล่านั้นเนี่ยนะมีพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเป็นหัวหน้าไปถึงก็ทำอัญชลีเรียกว่ายกมือท่วมหัวหมอบลงแทบฝ่าพระยุคลบาต ท, ที่ประดับด้วยจั ก, กรลักษณะเนี่ยนะพระพุทธเจ้านีฝ่าพระบาทเป็นกงจับ แต่ก็มีลายเป็นตารางมีรูปอะไรเล็กๆ เ, เ, เรียกว่ามงคลคนร้อยแปที่อยู่ในฝ่าเท้าของพระองค์เนี่ยนะสิ่งได้ที่เขาเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายแห่งมงคลสิ่งเหล่านั้นก็อยู่ที่ฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีลายจักด้วยที่ระก้มลงกราบพระพุทธเจ้าเนี่ยนะบัดนี้พระสังคีติกาจารย์ทั้งหลายเมื่อแสดงนามของพระเถระชื่อของพระเถระแต่ละองค์ น, นะมาดูว่าในหน้า11ท่านภาษาริบุตรผู้มีปัญญามาก ผู้เสมือนแมน้นดอกงอนไก่ผู้ฉลาดในสมาธิและฌานถวายบังคมพระผู้นำโลกภาษาดิบุตรเนี่ยมีผิวเหมือนดอกงอนไก่เนี่ยนะเป็นสีเป็นยังไงว่างๆเอามาให้ดูมั่งกันแล้วกันแดงเรื่อยๆใช่ไหมผิวออกแดงเรื่อยๆนะภาษาริบุตรมีผิวอย่างนั้นนะนะไปถึงนารกะคามก็ไม่เห็นเพราะว่าพันปรินี้ผ่านไปแล้วเนี่ยนะภาษาดิบุตรเนี่ยผิวเหมือนดอกงอนไก่ พระสารีบุตรเป็นผู้ฉลาดในสมาธิฉลาดในฌานท่านเหล่านั้นก็ถวายบังคมพระผู้นำโลกนะพระสารีบุตรไปถึงก็ยกมือท่วมหัวกม้มกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทบเท้าพระมหาโมกขลานะผู้มีฤทธิ์มากไม่มีใครเสมอด้วยกำลังแห่งฤทธิ์ผู้เสมอเหมือนแมน้นผิวพรรณของพระโมกขลานะเหมือนดอกบัวขาบ เหมือนเมฆฤดูฝนที่ ค, าคํารามเรียกว่าฤทธิ์อำนาจของท่านเนี่ยเหมือนเมฆในฤดูฝนเหมือนฟ้าคํารามฉะนั้นเนี่ยนะพระโมคคัลลานะเนี่ยผงาดอย่างนั้นแหละแต่ว่าผิวของท่านเหมือนดอกบัวขาบดอกบัวขาดเป็นยังไงดอกบัวขา บ, บว่ า, างก็ท่านบอกว่ามีอ่าเรียกว่านีลุบนลุบ ป, ปะละสมะสาทิโสก็ออกเขียวๆหน่อยนะออกแบบเขียวๆหน่อยแต่เขียวงามนะไม่ใช่เขียวน่าเกลียดนะั ส่วนพระมาหากษัตริยเนี่ยผิวงามกว่าเพื่อนแม้ท่านพระมาหากษัตริยที่พระศาสดาทรงยกย่องชมเชยสถาปนาว่าเป็นเอตทัคคะเป็นเลิศทางทุดงคคุณก็เหมือนกับทองที่ผุดขึ้นพระมาหากษัตริยนี่ผิวเหมือนทองส่วนท่านพระอนุรุทธะผู้เป็นเจ้าคณะใหญ่ผู้เลิศ ก, กว่าภิกษุผู้มีทิพจักสุผู้เป็นญาติผู้ประเสริฐของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยืนอยู่ไม่ไกล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 พระอุบาลีเถระอันพระศาสดายกย่องสถาปนาเป็นเอตทัคะในพระวินัยผู้ฉลาดในอาบัตอนาบัติท่านรู้ว่าอาบัตอย่างนี้แก้ไขได้อาบัตอย่างนี้แก้ไขไม่ได้ท่านผู้สแสวงหาคุณปรากฏชื่อว่าปุณณนะหรือพระปุณณนะะมันตานีบุตรบุตรของพระมณีชื่อว่ามันตานีผู้แทงตลอดอัฏฐอันสุขขมลุ่มลึกเลิศกว่าพิสุผู้เป็นธรรมกตึกท่านก็พร้อมด้วยคณะบริวารของท่าน พระปุณณะเนี่ยเป็นหลานของพระอัญญาโกณทัญยะพระัญญาโกณทัญญะหลังจากออกพรรษาท่านก็กลับไปสงเคราะห์ญาติไปเอาหลานมาบวชสอนแล้ก็บรรลุมรรคผลเนี่ยนะอันพระปุณณะเนี่ยเป็นหลานของพระโกณทัญยะเนี่ยนะพระัญญาโกณทัญยะพระมหาวีระคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ฉลาดในข้ออุปมาผู้ตัดความสงสัยทราบจิตของภิกษุเหล่านั้นก็ตรัสพระพุทธคุณของพระองค์นะว่าพระองค์นี้มีพระคุณเช่นไรเป็นต้น ย้อนอธิบายถอยกลับเล็กน้อยเนี่ยนะว่าพระเทระเหล่านั้นน่ยนะยกตัวอย่างภาษารีบุตรภาษาดิบุตรเนี่ยในะมีผิวเหมือนกับดอกหงอนไก่ภาษาดิบุตรเป็นผู้ฉลาดใช่ไหมฉลาดในอะไรเป็นผู้ฉลาดในฉลาดในสมาธิและฌานบรรลุสาวกบารมีเป็นต้นก็ฉลาดนี่มาจากกุศลศัพท์เนี่ยนะฉลาดกุศลศัพท์ก็ขยายอัดไปพระโมคาลานะสีเหมือนดอกบัวคาบ ส่วนพระมหากัสปโปริจักกัสปโปริจักก็คือท่านพระมหากัสปะนั้นที่จริงในสมัยพุทธกาลกัสปะมีหลายท่านเช่นอุรุเวลกัสปะนาทีกัสปะขยากัสปะปุมารกัสปะเป็นกัสปะรุ่นน้องๆไปอีกนะพระกัสปะรูปนี้หมายเอามหาใหญ่กว่าเพื่อนในบรรดากัสปะทุกองเลยนะก็เลยเรียกว่าพระมหากัสปะ พระมหากระส ป, ป่านั้นมีผิวพันธุ์ละไม้คล้ายกับทองที่ร้อนละลายทองที่ร้อนละลายเนี่ยนะท่านเป็นทุตะคุณเีเรียกว่าเลิศทางทุดงทุตะเนี่ยแปลว่ากำจัดกิเลสเนี่ยนะทุตะแปลว่าเครื่องกำจัดกิเลส ธ, ธรรมกำจัดกิเลสชื่อว่าทุตะคุณคุณธรรมที่เป็นเครื่องกำจัดกิเลสออกไปทุตะธรรมเนี่ยนะมีอยู่5ประการที่เป็นบริวารของทุดงเจตนา เพราะว่าคนที่มีเจตนารักษาทุดงจริงเนี่ยจะเป็นคนมักน้อยอภิจิาตาอปิจั ช, าชาตาเนี่ยนะคือเป็นผู้มักน้อยสันตุิตาเป็นผู้ที่มีความสันโดษเลคตาขัดเกลว์ปวิเวกกตาเป็นผู้ที่สงัดหรือวิเวกอิทมัติติกตาผู้ที่รู้ว่าสิ่งนี้มีประโยชน์สิ่งนี้ไม่มีประโยชน์อันนี้เรียกว่าทุตะธรรมทุตะธรรมพระมหากษัตริยเนี่ยเลิศในทาง รักษาทุดงขจเจตนากล่าวถึงสรนเสริญความมักน้อยความสันโดษความขัดกล่าววิเวกแล้วก็ว่ารู้ว่าอะไรนี่มีประโยชน์หรืออีกในหนึ่งพระมหากัะสปะในชื่อวัตุตะวะัฏะเพราะคาพูดของท่านทุกคํามุ่งไปเพื่อกําจัดกิเลสเนี่ยนะพระมหากระสปะนั้นพระพุทธเจ้าเลิศตรัสว่าเลิศกว่าภิกษุผู้เป็นสาวกของพระองค์ ท, งทางทุดงาาาเนี่ยนะทางทุดงแต่ว่าอักคะเนี่ยนะเช่นว่าอะไรนะ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 ที่พระจักสุเหล่านั้นเหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายอนุรทะเป็นยอดของพิสูุสาวกของเราผู้มีที่พจักสุท่านพระอนุรุทะนั้นเป็นโอรสของพระเจ้าอามิโตทนะสักยะเนี่ยนะเขมีอะไรสุดโททนะอมิโตทนะเขามีโอหลายๆโอธนะเนี่ยนะหลายๆโอธนะด้วยกันเนี่ยน ะ, ะพระเจ้าอามิโตทะนี่ถือว่าเป็นอาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระกนิจตะพาดาของ พระนุรุธาเนี่ยเป็นน้องน้องของพระเจ้ามหานามสกยะเป็นผู้มีบุญมากเป็นสุขุมละชาติอย่างยิ่งบุญมากแต่ว่าเกิดมาแทบไม่เคยทําอะไรเลยนะบุญมากเนี่ยนะพนะอบอกว่าทํานาแค่นะั้นละบวชเลยกษัตริย์โบราณนี่เขาทานาใชนะก็ต้องมีเช่นมีพิธีมงคลแรกนาะขันเขามีอะไรตั้งหลายอย่างนะพอบอกว่าพี่ชายบอกอา้าวถ้าเธอไม่บวชเธอว่าทํานาบอกทํานาทำยังไงบัางก็เล่ารยยายละเอียดพิธีการทํานาให้ฟังบอกว่า วุ้ยหม่อมชันเป็นสุกุมารชาตบวชดีกว่าเนี่ยนะท่านก็เก่งนะภายในพรรษาก็บรรลุแล้วเนี่ยนะท่านท่านเป็นคนที่เจดในที่ออกจากเรือนบวชกับใครบ้างพระอานนท์พระอุบาลีเป็นต้นนีที่บวชพร้อมกันส่วนพระอุบาลีนั้นอาปัฏิยาอนาปัฏิยาคือผู้ฉลาดในอาบัตและอนาบัติคือฉลาดว่าเออถ้าอย่างนี้เป็นอาบัตถ้าอย่างนี้ไม่เป็นอาบัติถ้าเป็นอาบัติและอาบัตินี้ทําคือได้ อาบัตินี้ทําคืนไม่ได้เรียกว่าสเตกิจชายะอาเตกิจชายะอาบัตินี้ทําคืนได้อาบัตินี้ทําคืนไม่ได้อย่างเช่นถ้าว่าอาบัติปราชิกเนี่ยศึกอย่างเดียวจึงจะทํำคืนเหมือนกันแต่ว่าสรุปว่าทําคืนไม่ได้เพราะดํารงอยู่ในภาวะแห่งพระพิสุตต่อไปอีกไม่ได้เป็นสัมเนนเป็นอะไรตามๆลงไปได้ส่วนอาบัติสังขารทิเศตุรจัยปติเทศนิยะปจิตตีทุกกฎทุกพาสิทธายัางนี้ก็สแสดงคืนได้สังขารทิเศตก็สแสดงด้วยการอยู่ปริวาสเป็นต้น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 ธรรมกถึกผู้ที่แสดงธรรมนั้นถือว่าพระพระอะไรพระปุณณมันตานีบุตรเนี่ยเป็นเลิศที่พระองค์ตรัสว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายปุณณมันตานีบุตรเลิศกว่าพิสูุสาวกของเราผู้เป็นพระธรรมกัทถ์เนี่ยนะผู้ธรรมกถึกก็คือผู้ที่แสดงธรรมประกาศ ธ, ธรรมเลา่ากันว่ากุลบุตรที่บวชในสำนักพระเถระเนี่ยนะคือลูกศรรกิษย์ของพระปุณณมันตานีบุตรเนี่ยมีประมาณ500รูปทุกรูปเป็นชาวแว่นแคว้น ปัจชาภูมิก็คือเป็นพระพิสุที่อยู่ในแคว้นของพระพุทธเจ้านะชาวปัจชาภูมิก็คือแคว้นสักกะนั่นแหละเพราะเป็นชาติตูภูมิของพระทศพลทุกรูปเป็นพระขีนาศพทุกองค์นี่เป็นพระรหารและทุกองเนี่ยนะได้กระถาวัตถุสิบด้วยทุกคนเนี่ยสันเสริญเรื่องความมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารบความเพียรวิเวกเนี่ยนะศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะ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 อภิสัมภูธิยามประกาศธรรมจากอันประเสริฐเสด็จมาตามลำดับทรงอาศัยอยู่ในกรุงราชจครื่ตามลำดับส่วนฝ่ายพระอัญญาโกทัญญะก็กลับไปยังกรุงกบิลพั์บวชมานบชวปุณณะหลานชายของตนแล้วก็ถวายบังคมทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยตนเองก็ไปยังสะฉัดทันเนี่ยนะเพื่ออยู่ประจําหมายความว่าพระอัญญาโกทัญญะเนี่ยนะหลังจากทรงเคราะห์หลานทรงเคราะห์ อ, อะไรได้แล้วก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งว่ายากมาก ในที่สุดท่านก็เบื่อบอกไปอยู่ป่าก็ได้ท่านก็ไปอยู่ในสะฉัดทันให้ช้างอุปถาดโน่นนะส่วนท่านพระปุณณนะก็มาพร้อมกับพระเธระเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคิดว่าเราจับทา ก, ทกิจของผู้บวชให้เสร็จก่อนแล้วก็จับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็แปลว่าท่านเป็นภระทหารและเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระปุณณะมันตานีบุตรเนี่ยนะหลวงลงคือพระอัญญาโกณทันญะปล่อยเอาไว้ในกรุงกบิลพัดท่านก็ทําโยนิโสมนสิการใส่ใจ